เราก็ภาวนาก็ดีขึ้นนะแต่ละคนถ้าเราไม่ประมาทเสียเวลาเปล่าๆแต่ละวันพยายามรักษาสี่ห้าไว้ก่อนนะแล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจากจากนั้นก็มาหัดเตือนปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไม่มีอะไรมากหรอกนะมีเท่านั้นทำได้เท่านั้นมรรคผลนิพพานมันไม่ไปไหนหรอก มันไม่เกินเอื้อมไม่ใช่สุดวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาจะทำได้ภูมิของพวกเราภูมิมนุษย์เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วนะสำหรับการปฏิบัติเป็นพรหมจิตมันก็นิ่งไปนะเป็นเทวดานะก็สวยงามมีความสุขคงที่มากไปมีความสุขคงที่สังเกตดูใจอย่างใจของพวกเรา ถ้าเมื่อไหร่เรามีความสุขเราภาวนายากไม่ค่อยภาวนาถ้าทุกข์มากเกินไปภาวนาไม่ไหวเหมือนสัตว์นกรกอะไรพวกนี้หลงมากไปภาวนาไม่ไหวเหมือนสัตว์เดรัฉานแจฟุ้งซ่านไปโลภมากติดในโลกติดในกามยินดีพอใจสแสวงหาแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสแต่สัมผัสนี่ยมติดอยู่ในภูมิของเปรต ถ้อย่างนั้นก็ต่ำเกินไปนะสามสี่ภูมิพวกนั้นกิเลสมันแรงไปก็พอนามไม่ไหวมนันลดมาพอดีพอดีเห็นเทวดาร่างกายเขาสวยงามคงที่เทวดาจะไปปรากฏความแก่ตอนจะจ ะ, จะตายแนละ้วจะเห็นความแก่ที่เกิดขึ้นเริ่มมีเหงื่อซึมออกมานะเสื้อผ้าที่ใส่อะไรนะี่เริ่มเศร้าหมองอะไรพวกนี้เห็นความไม่เที่ยง อายุตั้งร้อยล้านปีแล้วเห็นความไม่เที่ยงทีเดียวเองจิตยังไม่ท่านใจทราบซึ้งถึงใจโมดอายุอีกแล้วเป็นพลมก็นิ่งสงบอย่างพวกเราไปติดความนิ่งความสงบก็าภาวนาไปไหนไม่ได้ภาวนายากเนีอะก็จะนิ่งพักผ่อนไปด้วยไม่เจริญปัญญานะมนุษย์นั่นเป็นภูมิที่ดีที่สุดแล้วล่ะ สุขก็ไม่สุขมากไปทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากไปนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ร่างกายก็ไม่คงทนเกินไปในตำรานะบอกเลยนะอายุมากเกินยุคไหนมนุษย์อายุเกิน 80,000 กว่าปีอะไรนี่ภาวานายากมันไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์เท่าไหร่อย่างพวกเราอายุกำลังพอดีพอดีประมาณยุคนี้ก็75ปีนะอายุเฉลี่ย ในทางพระพุทธศาสนานะคนรุ่นเราอายุประมาณ75ปีอายุไม่น้อยไปอายุไม่มากไปน้อยไปอย่างพวกสัตว์แมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสเรียนรู้เรียนรู้ไม่ทันยาวนานไปก็ประมาทอย่างหนุ่มอย่างสาวอยู่นั้นนะนะก็รู้สึกว่าอยู่กับโลกได้อีกนานไม่ภพ อ, พอนาอายุขนาดพวกเรานะเป็นเด็กอยู่แป๊บเดียวก็โตแล้วโตลแล้วแป๊บเดียวก็แก่ลว ไม่ไม่นานไม่ไม่ไม่เร็วไปไม่ช้าไปร่างกายเราก็ามีความทุกข์บีบคั้นให้ดูเป็นระยะระยะความทุกข์ปกติก็ไม่รุนแรงมากนะทุกพอดีพอดีถ้าทุกขนาดสัตว์นรกก็ภาวนาไม่ไหวของเราทุกพอดีพอดีเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวต้องการขับถ่ายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข่เนี่ยเป็นความพอดีของเรา ไม่สุขสบายจนเพลินไม่ทุกข์ทรมานมากเกินไปนอายุก็ไม่ยั่งยืนจนกระทั่งหลงเพลินประมาทในทางจิตใจของเราก็ไม่ได้ไปสงบนิ่งอามาตะอายู่อย่างนั้นเป็นกลับกับพวกปลมอายุยืนเป็นหมื่นกับพวกหมีนะแปดหมื่นกับยังมีเลยปลมบางชนิดกับหนึ่งก็คือจักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกทีหนึ่งอายุยืนมากเลย วันนี้พวกนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงตัวเองเป็นอมะตะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอย่างพวกเราเวลาทําความสงบเราสงบได้เดียเด๋ยวๆความเป็นพรอมของเราก็เสื่อมสงบได้ไม่นานแล้วก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็จะเห็นบางทีถ้าไปติดในความสุขความสงบมากนะกิเลสยิ่งแรงกว่าคนธรรมดาขี้โมโหโทโสอนะไรเนี่ยังั้นปลอมจํานวนมากนะพอตายเนะี่ยจะตกนรกนะ จิตจะไม่มีความสุขแล้วมันเสพสุขมันนิ่งมันสบายมานานพอจิตมันเคลื่อนทานันจิตมันเศร้าหมองดังนั้นภูมิของเราเนี้ยเป็นภูมิที่ดีที่สุดที่พิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับการภาวนานพวกเราเมื่อได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์เนี่ยตาไม่บอดหูไม่หนูงไม่เป็นใบไม่เป็นบ้าถ้าบ้าใบาบอดหนวกมาแต่กําเนิดภาวนาไม่ได้ถ้าตาบอดทีหลัง ตอแก่นี่ภาวนาได้กูโด่มาแต่เกิดเป็นบ้ายเรียนธรรมะไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสภาวนาถือว่าเป็นบุคคลอาภัพเรียกว่าบ้าใบ้บอดหนวกแต่อย่างเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โอกาสจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีน้อยนะเราลองดูมนุษย์มีจํานวนสักเท่าไหร่นะสัตว์มีจํานวนเยอะกว่ามนุษย์เยอะเลยโอกาสที่จะมาเป็นมนุษย์เนี่ย น้อยมากจริงๆต้องมีศีลทำนะต้องมีศีลถึงจะมาเป็นมนุษย์ได้พอเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ละเลยศีลอีกเราก็กลับไปลงที่ต่ําไปอีกเะฉะั้นพวกเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะเรามีต้นทุนที่ดีละเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บ้าใบาบอด น, นวกมาแต่กําเนิดเราก็ต้องเอาตรงนี้มาเป็นต้นทุนที่จะพัฒนาจิตวิญ ญ, ญาณของเราให้สูงขึ้นไป เราจะอยู่กับที่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถึงโลกุตรธรรมโลภุตระคืออยู่เหนือโลกถ้าเราอยู่กับโลกนะเป็นโล ก, กียธรรมเราเวียนป้ายไตเกิดอยู่นั่นแหะเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ตูดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเหมือนคนจรจัดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนลูกหลงทางพลาจักบ้าน พ่อแม่มีแต่ก็ไม่รู้แล้วเราภาวนาเติมเต็มจิตวิญญาณของเราด้วยคุณธรรมความดีมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งเราจะพบพ่อพบแม่ของเราคือพระพุทธเจ้านั่นเองไปสู่พระนิพพานเป็นที่ที่ไม่ใช่สถานที่นะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากเวลาพระอรหันต์ท่านนิพพาน คาดขันธ์ท่านแต่ท่านดับทำที่ทรงอยู่นะทำเนี่ยไม่ได้ตายไปด้วยนะเวลาเราภาวนานะถ้าใจเราสะอาดหมดจดพอเรานึกถึงพระอระหันต์ที่เก่าๆล่วงแล้วไปเนะี่ยเรานึกถึงเราจะรู้สึกเหมือนท่านมาอยู่ต่อหน้าเราเลยจะเป็นพระท่านเจ้ากี่องค์กี่องค์ก็ เ, เหมือนกันหมดนะาใจจะสัมผัสกันได้รู้สึกกันได้้าใจของเราจะสร้างดิมิตขึ้นมาเห็นเป็นรูปท่าน เวลาจิตสร้างนิมิตรูรปพระพุทธเจ้ารูปพระอราหารันยุคไหนยุคไหนก็ตามออกมาเป็นเป็นรูปร่างคนทั้งนั้นนะก็อะไรพวะเราฉิดอย่างนั้นเราสร้างนิมิตแบบนั้นเนพะื่อจะสือ่อถา้าอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบพวกเราเลยก็ได้นะจิตมันสร้างขึ้นมาสรุปก็คือพลังงานไม่ได้หายไปหรอกธนะาตุการก็แตกไปก็าเป็นส่วนของโลกนะทำก็ส่วนของธรรม ธาตขันแตกดับสูญหายไปทําให้สูญไม่หายไปเนี่ยเราจะมีมันเหมือนเราได้กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เราที่แท้จริงนะเป็นหนึ่งเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นอย่างสาวกเนี่ยเป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ในมุมเดียวคือมุมของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เท่ากันแต่ความการุณาไม่เท่าปัญญาเนี่ยไม่เท่า ในพวกเรามาพัฒนาใจของเราให้บริสุทธิ์นะเราจะรู้เลยว่าชีวิตเรามีเป้าหมายเราเป้าหมายเราก็ต้องยกระดับจิตวิญญาณของเราสูงขึ้นไปได้่อยจนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นมันเป็นความสุขที่มหาศาลนะตอนที่ธาตุขาดยังไม่แตกนะมันก็เทียบกับมนุษย์ทั่วไปนะมันไม่เหมือนกันเลยมนุษย์ทั่วไปนะจิตมันจะโดดตกครุบอารมณ์ตลอดเวลาตะครุบไปที่รูปตะครุบไปที่เสียงตะครูบไปที่กลิ่นตะครุบไปที่รส ตะครุบไปที่การสัตสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายตะครุบไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งทางใจนี่อารมณ์ทั้งรูปประรมนามธรรมานะั้จิตจะโดดตะครุบเอามาตลอดเลยถ้ามาพาวนามากขึ้นมากขึ้นอย่างพวกเราจํานวนมากทุกวันเนี้เราพาวนาจนถึงขั้นที่เราเห็นนะจิตเข้าไปจับอารมณ์เรามองเห็นนะหลายคนที่พัลุบว่าจิตจับอารมณ์แล้วจิตก็ปล่อยอารมณ์ได้แล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา เนี่จิตมันปล่อยอารมณ์อารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะธรรมอารมณนะ์นั่นเองธรรมอารมณ์เป็นเรื่องราวทางใจถ้าเราภาวนามากขึ้นนะจิตวิญญาตเรายกระดับขึ้นเราไม่ได้ปล่อยแค่อารมณ์นะเราจะปล่อยวางร่างกายได้มันสลัดร่างกายทิ้งไปไม่ยึดถือกายอีกต่อไปแค่สลัดอารมณ์ได้เป็นคราวๆยังมีความสุขมหาศาลเลยสลัดกายไปได้นะจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปแต่กายมีความทุกข์แต่จิตจะไม่ทุกข์เพราะกายอานะจะแก่ อะไรมันแก่ร่างกายมันแก่ใจไม่ทุกข์จะเจ็บอะไรมันเจ็บร่างกายมันเจ็บใจไม่ทุกข์นะจะตายอะไรมันตายร่างกายมันตายใจไม่ทุกข์หรอกนะถ้าภาวนาต่อไปอีกนะสุดท้ายมันจะปล่อยวางจิตได้ตรงจิตปล่อยวางจิตได้นี่เป็นความอัศจรรย์นะครูบาอาจารย์ท่านเล่าบางองค์นี่แผ่นดินไหวโลกกระเทือนเลยเทวดาสาทุกการฤกษอก็เริกนะบางท่านท่านไม่สนใจ บางท่านเขรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าเลยรุนแรงคือจิตมันสลัดตัวสลัดตัวมันทิ้งไปนี่เป็นภาวะที่เรานึกไม่ถึงอ่ถ้าเราสลัดของอื่นมันดูง่ายว่าสลัดออกไปนี่สลัดตัวเองได้นี่แล้วจิตจากนั้นไมจะกลายเป็นธรรมล้วนๆเลยนะเป็นธรรมธาตุล้วนๆเลยไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้อีกไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะทรงตัวเด่นดวงอยู่อย่างนั้น แต่ถามว่าคงที่ไหมเที่ยงไหมตัวนี้ตัวจิตยังไงก็ตัวจิตก็ต้องไม่เที่ยงเพราะจิตไม่ใช่ทำนะตัวจิตของพระลระหันนะเดี๋ยวก็มีสมนัตมีความสุขต่างใจเดี๋ยวก็ไปดูเบรกขาจิตบางดวงประกอบด้วยปัญญาเจริญปัญญาจิตบางดวงก็ทรงตัวพักผ่อนสบายอยู่นะไม่ต้องทํางานแล้วนะเจริญปัญญาเดินปัญญาออกมาไม่ใช่เดินเพื่อตัวเองแล้วแต่เดินมาช่วยโลกเอาธาตุเอาขันออกมาทําาน น่จิตมีหลายแบบนไม่ใช่จิตมีดวงเดียวอมตะถาวร อ, อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวร้ายเลยนี่พวกเราต้องมารู้นะเป้าหมายในชีวิตเราเราจะยกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นเป็นลําดับลําดับไปเบื้องต้นต้องปล่อยอารมณ์ให้เป็นต่อไปก็ปล่อยวางร่างกายได้ต่อไปปล่อยวางจิตใจได้ถ้าปล่อยวางจิตใจได้เราก็จะรู้เลยว่าเรามารู่มีพ่อมีแม่นะความจริงยังไม่ถึงขั้นปล่อยวางจิตใจ ก็รู้แล้วล่ะอย่างได้ธรรมมาเบื้องต้นเรารู้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวเราไม่มีมีแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจําไม่ใช่ตัวเราความคิดไม่ใช่ความปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราทําหน้าที่รู้ของมันเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยพระโสดาท่านเห็นตรงนี้นะท่านยังไม่ได้ปล่อยนะแต่ว่าท่านรู้แล้วว่า ตัวตนไม่มีขั้นผ้ า, านนาคาถึงจะเริ่มปล่อยเนะี่ยเราต้องมีเป้าหมายนะค่อยๆพัฒนาทำไงเราจะปล่อยอารมณ์ได้ทำไงเราจะปล่อยวางกายได้ทำไงเราจะปล่อยวางจิตได้ปล่อยอารมณ์เนี่ยถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมามันแยกตัวออกจากอารมณ์นะตัวนี้เราฝึกอาศัยสติอาศัยสมาธิสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นโยมนะหัดใหม่ๆ เราเห็นในจิตเนี้ยชอบเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์เราไม่ค่อยยอมปล่อยหาดแรกๆมันไม่ปล่อยนะนานๆมันปล่อยได้ทิ้งดีใจวิธีทั้งอาทิตย์หนึงปล่อยทิ้งไปเรียนจากหลวงปูดด่โดนมานะวันแรกนั้นจิตเก็ปล่อยอารมณ์ออกไปแล้วขันแยกออกไปเลยชอบมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวๆก็เข้าไปจับปล่อยได้แว บ, บเดี๋ยวเข้าไปจับดูอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งนะภาคเพี่ยนอยู่อีกอาทิตหนึง่ง แยกออกมาได้สองสามแบบดูไปอีกห้าวันกนะ็แยกออกมาได้หลายนาทีหน่อยแล้วดูฝึกอย่างนี้ไร้่อยเลยจิตต้องหลุดจากอารมณ์ให้ได้ตั้งเป้าไว้เลยว่าตอนนั้นหลวงพ่อตั้งเป้านะพวกเราไม่จาเป็นต้องตั้งเป้าแบบหลวงพ่อหรอกตั้งเป้าว่าถ้าจิตจับอารมณ์นะเรามีสติเรมีใจตั้งมั่นเนี่ยต้องหลุดให้ได้ในสามวินาที ทำไมสามวินาทีไม่ใช่เจ็ดวันลนะไม่ใช่เจ็ดวันห้าวันสามวันไม่ใช่ต้องสามวินาทีเผื่อลถกว้าําเผื่อลดกว้ํานะมีเวลาสองสามวินาทีที่จะตายจิตต้องถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเข้าไปเกาะเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นนะโอกาสไปอาบ่ายนี่สูงมากเลยแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะ ถ้าบุญมีวาสนาพอนะอาจจะบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายนัย้นเลยถ้ายังไม่พอเขาไปเกิดในภูมิที่ดีได้เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมอะไรขึ้นมาไปภาวนาต่อจะไม่ใช่เทพพรหมที่หล่อยถ้วยขี้เกียจขี้คลานไม่ใชนะ่เป็นเทพมสมาธิฏฐิเป็นพรหมสมาธิฏฐิไปภาวนาต่อได้เนพยายามฝึกตัวเองนะว่าจิตต้องถอนออกจากอารมณ์ให้ได้ในสามวินาทีพวกเราใครทําได้ตรงนี้บ้าง เวลาจิตเข้าไปจับอารมณ์ตัวนี้เห็นไหมจิตเข้าไปเกาะนานไหมกว่าจะหลุดกี่วินาทีพรนับเป็นนาทีตายเปล่าแล้วไม่ทันแล้วนะไม่ใช่ตกน้ําตายนะตกน้ำตายตายในห้าหนาทีขาดออกซิเนนะงั้นอย่าไปให้รถทับนะไม่ทันนะวิธีฝึกทําไง อาศัยที่เราค่อยรู้ทันนะจิตมันเคลื่อนเข้าไปยึดอารมณ์นะเรารู้บ่อยๆแล้วก็สังเกตไปได้อารมณ์กับจิตนะคนละอันกั น, นรูปรูปไม่ใช่ตัวเรารูปเป็นสิ่งที่ตามันไปเห็นเข้าค่อยๆหัดเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะไม่ใช่ตัวเราเราเป็นสิ่งที่ไปรู้เข้าค่อยๆหัดรู้หัดดูไปพอรู้มากข้า ม, มาข้ามําจะเห็นเลยว่าจิตมันอยู่ต่างหาก อย่างเวลาเราดูโทรทัศน์นะเราอินจะดูข่าวดูการเมืองหรือดูหนังดูละครอะไรจิตจะไหลเข้าไป mm hmm. เผลอตัวอย่างรุนแรงก็คิดว่าเราเป็นพระเอกเป็นนางเอกทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นนางอิจฉานะแต่เราก็คิดว่าเราก็น่า น, นางเอกละไหนๆถึงจะเป็นผู้แพ้ก็ขอเป็นนางเอกนะเกะนางเอกส่วนใหญ่ขี้แพ้ชนะทีเดียวตอนสุดท้ายอย่างนี้นะ mm hmm. ดูอย่างนี้เป็นผู้ร้ายดีกว่าเ น, ะะนาะชนะไปเรื่อยแล้วแพ้ครั้งเดียว <laughs> แไปอับไบไปอับไบเป็นคนดีก็สู้สู้ยากนะเป็นคนดีนะมันเราอยู่ในโลกที่ชั่วเงยในโลกที่เบียดเบียนกันที่หลวงตามหาบัวท่านบอกอยู่กับบ้านหมาเมืองหมาอยู่กับหมาบ้าไม่ใช่หมาธรรมดาเนจัดกันมันทํำร้ายกันมันแย่งชิงกันหมาแย่งกระดูกคนจะแย่งยิ่งกว่ากระดูกมแย่งทุกอย่างแย่งกระทั่งสิ่งที่เป็นนํามาทํา ยังชื่อเสียงเกียรติยศย่งอะไรต่ออะไร้็เราจะอยู่กับเขาอย่างนี้ทำไงเราจะอยู่ได้ถ้าใจเราไม่เข้าไปจับอารมณ์นะอยู่กับเขาได้โลกมันเป็นอย่างนี้แนหะยุ่งอะไรกับมันนะค่อยๆหัดรู้หัดดูไปโลกมันก็แค่นี้แหละ ย, ยุ่งอะไรกับมันเราเข้าไปยึดไปถือทีไรใจก็ทุกทุกถีนะ่หัดรู้หัดดูของเราไปใช่แค่ไปดูหนังไม่ใช่ของจริงสักหน่อยเลย ยังอินกับเขาด้วยสุขกับเขาทุกข์กับเขาหัวร้อกับเขาร้องไห้กับเขาพวกเราคนไหนดูละครแล้วยังร้องไห้อยู่ยกมือซิยกซิมีมากไหมมีมากต้องถือว่าจิตใจอ่อนโยนถ้ามีน้อยก็มไปฝออึกนะถ้ามีมากมากอย่างนี้เราเป็นคนมีเมตตาจิตใจอ่อนโยนพูดในทางบวกพูดทางร้ไม่ได้เดี๋ยวรุมบอมหลวงพ่อ ต้องฝึกเอานะให้ฝึกดูหนังดูละครดูอะไรแล้วมันพ่อินเหนือเขาค่าคอยรู้ทันไวเราอินมากๆ ก, ก็คือจิตจะจับอารมณ์มันแดงค่อยรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยนะเรื่องโน้นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นอ่ะเรื่องข้างนอกทั้งนั้นเลยใจเราเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเนี่ยใจเข้ายึดแล้วใจหลงไปแล้วรู้มากๆนะเราใจจะปล่อยตามมองเห็นรูปเขาสักว่ารูปมะไม่ใช่เราเนี่ยว่ะ เราได้ยินเสียงพระสักว่าเสียงก็แค่เสียงแล้วว่าไม่ใช่เรานี่ยว่านะค่อยๆดูอย่างเงี้ยเรามันเป็นแค่คนดูเนะี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะเพื่อจะเอาตัวรอดสามวินาทีตั้งเป้าไว้ถ้ามากรู้สึกทารุณไปก็ห้านาทีเพื่อตกน้ํำตายถ้าฟ้าผ่าตายยิ่งยากกว่านี้นะอฟ้าผ่าตายไม่รู้จับเวลา ย, ยัางไงนะต้องฝึกเอาฝึกจนจิตมันอัตโนมัติพก็เรา จำนวนมากในที่ทําได้ลูกศิษย์หลวงพ่อนะเป็นพวกใจร้อนทำไมใจร้อนลูกศิษย์หลวงพ่อประมว่ดส่วนใหญ่ใจร้อนพก็ เ, เป็นพวกปัญญากล้าพวกปัญญากล้ากับโทสะเนี่ยนะเป็นของคู่กันนะเป็นตระกูลใกล้เคียงกันเลยระหว่างโทสะกับปัญญาโทสามีลักษณะรวดเร็วรุนแรงปัญญามีลักษณะรวดเร็วรุนแรงเพรอปัญญาเกิดนะทหารกิเลส ข, ขาดสะบั้นเลยรุนแรงไม่มีประณีประนอม งันลูกศิษย์หลวงพ่อประมวลนี่นะพวกโทสามารถใจร้อนขับรถนี่เกิดอุบัติเหตุเยอะมากเลยนะไม่มีอะไรจะชนก็ช น, ชนต้นหมากลากไม้ก็ชนได้นะรถติดรถคว่ำรถหงายอะไรนะเก่งมากแต่ไม่ค่อยมีใครเป็นอะไรไม่ใช่ว่าพระของหลวงพ่อขลังนะไม่ก็จะแจกพระหรอกนะพระที่เขามาให้เขาไม่ได้ทาเองมีก็แจกไปเพราะไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรก็แค่นั้นเองนะพวกไม่มีพระเลยเนะี่ย พอเกิดอุบัติเหตุนะรถหมนุนรถคว่ำสติมันเกิดนะจิตมันดีดตัวในขณะที่เกิดอุบัติเหตุเลยวินาทีนั้นแหละนี่เร็วขนาดนี้นะพอเราฝึกเข้าไปไม่ใช่3มวินาทีแล้วนะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บจิตถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูเลยเห็นหมนุนหมนุนหมนุหมนตัวที่หมุนใช่ไหมร่างกายรูปรถมันหมนุนร่างกายมันหมนุนภาพต่างๆมันหมนุนนี่คืออารมณ์ภายนอกทั้งหมดเลยนะจิตมันถอนตัวออกมาไม่เกี่ยวแล้วเว้ยนะถ้าตายตอนนี้นะก็ไม่ต้องกลัว ไอ้สุขติแต่ไม่ค่อยตายหรอกเพราะสติเกิดเนี่ยหัวกําลังจะโขกข้างฝารถแล้วก็หลบหน่อยหูแหว่งไปนิดเดียวอย่างเงี้ยนะสบายกว่ากันเยอะนะคนควรจะโขกหน้าเละเทเสียโฉมแค่แค่จมูกซ้นไปหน่อยอย่างงี้นะสติเนี่ยต้องฝึกเราพยายามฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆนะใจมันอินไปกอะไรรู้ใจมันอินไปอะไรรู้นะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิ น, นเวลาฉุกเฉินเนี่ยจิตมันจะดีดตัวผางขึ้นมาเองเล เมื่อก่อนเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธท่านนั่งรถตู้ไปเทศเนี่ยนะก็นั่งรถไปหลายคนยอมว่ไปด้วยหลายคนนะบอกรถมันตกเขาตกถนนลงไปถนนที่ลึกวิ่งลงไปท่านเห็นต้นไม้อยู่ข้างหน้าพอท่านเห็นต้นไม้ใจท่านเฉยๆนะรถมันก็หลบต้นไม้ไปเจออีกต้นก็หลบหนะลบไปได้หลายต้นนะท่านบอกไอยต้นสุดท้ายเนะี่ยมันเหนื่อยแล้วดูไม่ทนันเลยชนโลเข้ แต่ว่าแรงมันน้อยแล้วไม่เป็นอะไรไม่ใช่ปาฏิหาริย์ท่านบสติสติสมาธินี่เองช่วยหรือหลวงตามหาบัวท่านเล่าเนี้ยที่รถคว่ำแขนหักะว่าพลิกลรถพลิกเนี้ยรู้เลยเป็นช็อตชอต็ชอชอพวกเราฝึกนะแป๊บเดียวก็เป็นแล้วถ้าเราฝึกจเจริญสติเยอะๆนะเวลาหกล้มเนี้ยเราจะเห็นเลยเหมือนตัวกระตูนนะลอยอยู่ในอากาศเป็นช็อตชอต็ชอใครเคยเห็นบ้างไม่ต้องซ้อมก็ได้นะเอาไว้ฉุกเฉยนแล้วมันเห็นเองนะ ได้ฝึกนะฝึกแค่เรามีสติบ่อยๆจิตใจไหลไปแล้วรู้ไหลทุูๆได้สมาธิขึ้นมานะฉุกเฉินขึ้นมาจิตปล่อยอารมณ์ได้ส่วนที่จิตจะปล่อยกายจิตจะปล่อยจิตเนี่ยเป็นภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปละอันนี้ต้องทํำวิปัสสนาเข้มแข็งมากนะเพราะภูมิธรรมที่จะปล่อยร่างกายได้คือภูมิธรรมพระนาคาส่วนภูมิธรรมที่จิตปล่อยอารมณ์ได้เนี่ยพุทธชนก็ทําได้พวกเราก็ทําได้ อย่างน้อยเอาตรงนี้ให้ได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะจิตปล่อยอารมณ์ไดนะ้เวลาจะตายจริงๆมันจะเกิด น, นิมิตไม่ว่าใครจะตายก็นะเกิด น, นิมิตยกเว้นพระละหันมันะจะเกิด น, นิมิตเห็นที่ที่เราจะไปเกิดก็ได้จะเกิด น, นิมิตเห็นกรรมเก่าที่เราทําจนฉินอยู่ได้เคยเชือดคอไก่ทุกวันนะถึงเวลานั้นก็นิมิตจะถูกเชืดอดคออะไรเงี้ยหรือเห็นเห็นมีดนะเห็นเครื่องมือในการทําบาปก็ได้ เวลานิมิตเกิดนะถ้าเราคิดให้คนอื่นเข้ามาคอยบอกเราว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ได้กินตอนนั้นไม่ได้ยินเหมือนเรานอนหลับคนมาพูดเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิของเราให้ชํานาญนะพอเห็นนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นปุ๊บนะเห็นต้นยิ้วกระทะทองแดงอีกาปากเหล็กหมาดุดุดนะเห็นอย่างนี้ปุ๊บจิตกลัวรูวกลัวปั๊บนะขาดสะบั้นเลยอารมณ์นั้นหลุดออกจากจิตเลย คอยรู้ทันเวลาอารมณ์เกิดขึ้นรู้ทันไปด้วยนะหรือจิตไหลไปรู้อา um <ใน S 1> รมณ์เกิดขึ้นรู้ทันเราจะได้สติจิตไหลไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธิฝึกไปเรื่อแหละทั้งสติทั้งสมาธิ่เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะใช้เดินปัญญาอ น, นิมิตไม่ดีจะขาดไปเลยนะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงไปเกิดสุขติได้<ะ>ต้องซ้อมนะต้องซ้อมคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ทันจิตไหลไปคอยรู้ทันฝึกอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นฐาน จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปพอจิตใจเราเป็นคนรู้ได้แล้วเนี่ยต่อไปแทนที่จะรู้แค่อารมณ์อารมณ์เป็นของข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชทำมารมณ์โผฏฐพัชคือสิ่งที่มากระทบร่างกายทำมารมณ์คือเรื่องราวที่คิดแทนที่จะไปรู้แค่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชทำมารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์มันรู้เข้ามาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่เป็นคนไปรู้อารมณ์ หรือไปรู้ที่ขันห้าขันห้านี้แหละเป็นตัวที่เรารู้สึกเป็นตัวเราแทนที่จะไปปล่อยอารมณ์ต่อไปมันจะมาปล่อยตัวเหล่านี้แทนที่จะไปปล่อยรูปมันจะปล่อยตาแทนที่จะไปปล่อยเสียงมันจะไปปล่อยหูได้แทนที่จะไปปล่อยกลิ่นมันปล่อยจมูกได้แทนที่จะปล่อยรสมันปล่อยลิ้นได้แทนที่มันจะปล่อยสิ่งที่มากระทบร่างกายนะมันปล่อยร่างกายได้แทนที่มันจะปล่อยธรรมารมนะขั้นสุดท้ายเลยมันจะปล่อยใจได้ มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะต้องหัดเอาทําไมมันถึงปล่อยกายทําไมมันถึงปล่อยใจได้เพราะมันเห็นความจริงของกายของใจจำไว้นะเพราะมันเห็นความจริงของกายของใจกายนีม้มีแต่ทุกข์แต่โทษมันถึงจะปล่อยใจนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษมันถึงจะปล่อยไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกายไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของใจไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยใจเงั้นอย่างบางคนสอนกรรมฐานกันบอกสอนให้จับที่ความว่าง รักษาจิตให้ว่างนี่รันดอนเลยจับอารมณ์ไอ้นั้นอารมณ์ยังไม่ปล่อยเลยนะแต่ไปจับอารมณ์ว่างนี่ลอยถ้อยมากเลยนะมันเข้าขั้นอย่างนั้นก็ไปพลมวิโลกเท่านั้นเองแลไปเกิดอีกไม่มีวันพ้นทุกข์เลยเพราะว่าจะไปจับอารมณ์นะแทนที่จะรู้อารมณ์แล้วปล่อยอารมณ์ได้ใจไม่มมไปอินกับอารมณ์ใจเป็นอิสระขึ้นมาแล้วไปบอกให้เอาความว่างความไม่มีอะไรว่ามไม่มีอะไรก็เป็นอารมณ์มันหนึ่งชื่ออากินจัญญายาตนะก็ไปจับเอาสิ่งเหล่านั้นใช้ไม่ได้เลยนะ มันถ้าใจเราเข้าไปจับอะไรเรารู้ทันนะจับอารมณ์อะไรรู้ทันรู้ทันไปด้วยถ้ารู้ทันตรงนี้นะนานไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะปล่อยอารมณ์ได้จิตตั้งมั่นมันก็ปล่อยแล้วล่ะจะเห็นใจที่เคลื่อนไปจับจิตก็ปล่อยเห็นใจที่เคลื่อนไปจับจิตก็ปล่อยเมื่กลับมาตั้งมั่นได้แต่ตรงที่จะปล่อยกายปล่อยใจเนี่ยต้องเห็นทุกเห็นโทษของกายของใจละเว้นการเห็นทุกเห็นโทษของกายของใจไม่ได้นี่คือทางเดินทางเดียวะ ทางเดินทางเดียวที่ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเรียกได้เอกายนามัคเอกกายนามัคพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4ี่บอกเป็นเอกายนามัคเป็นทางเอกทางสายเดียวไม่มีทางอื่นทางเอกทางสายเดียวไม่มีทางอื่นในสติปัฏฐานไม่รู้อะไรนะรู้กายใช่ไหมกายเป็นตัวรูปรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นั่นเองรู้จิตตสังขารรู้จิตก็จะรู้ทันสังขาร ทั้งดีและชั่วเช่นความโลบความโกรธความหลงธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะรู้การทํางานของรูปธรรมรู้การทํางานของนามธรรมมันมีแต่เรื่องรู้รูปธรรมนามธรรมรู้กายรู้ใจทั้งสิ้นเลยนะให้คอยรู้สึกตัวนะใจต้องอยู่กันเนื้อกับตัวรู้สึกตัวไว้ใจที่รู้สึกตัวก็คือใจที่ไม่ไหลตามอารมณ์เห็นไหมที่เราฝึกรู้ทันใจที่ไหลไปหาอารมณ์นะก็จะได้ใจที่รู้สึกตัวนะถ้าใจปล่อยอารมณ์ได้ก็พอเอาตัวรอดแล้วใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว นั่นที่หลวงพ่อสรนเมาช่วงแรกๆนะว่าจิตไหลไปจับอารมณ์มาให้รู้นะก็คือรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจับอารมณ์แล้วจิตจะถอยออกมาได้สมาธิขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเพราะมันปล่อยอารมณ์ได้เนี่ยจิตไม่จะอยู่กับเนื้อกับตัวต่อไปนี้เราก็มีสติคอยรู้สึกอยู่ที่กายมีสติคอยรู้สึกอยู่ที่ใจไม่ใช่หลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมรมณ์ ถ้าหลงไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ผลิภัณฑ์ที่ธรรมารมณ์เนี่ยเรางปู่ดูรียกว่าส่งจิตออกนอกจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องถึงฐานจริงๆแล้วไม่ใช่ไปบังคับให้ตั้งแต่ว่าให้รู้ทันว่ามันไม่ตั้งมันเคลื่อนไปให้รู้มันเคลื่อนไปให้รู้นะจิตจะเข้าฐานเข้าบ้านอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วมันมีสติรู้ความจริงของกายของใจนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ทรงตัวอยู่เนี่ยมันตั้งมั่นลนะ แต่มันยังไม่เป็นกลางเพราะสติไปรู้รูปที่ไม่ดีจิตไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะสติไปรู้รูปที่ดีจิตชอบรู้ว่าชอบสติไปรู้นามธรรมที่ไม่ดีจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไปรู้นามธรรมที่ดีชอบรู้ว่าชอบเนี่ยตรงที่ชอบรู้ไม่ชอบก็รู้นะมันจะตัดความยินดียินร้ายด้วยสติมีสติรู้ทันความชอบความไม่ชอบความชอบความไม่ชอบนันจะดับอัตโนมัตินะ เราก็จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยๆไปตรงนี้เป็นกลางเพราะสติต้องฝึกต่อไปอีกนะยากไปไหมมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะธรรมะเรียนแล้วไม่ใช่ขยับลงป่วยการเรียนเลยนะพอใจเราชอบใจไม่ชอบรู้ทันนะจะล้างด้วยสติเราไปสติมันไปรู้ทันร่างกายมันเห็นเลยร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราว ร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชนะั่วคราวะแต่สิ่งที่แฝงอยู่ในร่างกายเป็นประจําเลยคือตัวทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะเห็นอย่างนี้นะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าําอีกไปเรนะื่อยเสุดท้ายมันอิดหนาละอาใจนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษทุกวันนี้เราหลงรักร่างกายเพราะเราไม่เคยดูความจริงของร่างกายถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายเราจะรักไม่ลงเลยนะ ความจริงของร่างกายน่าเกลียดนะไม่ใช่แค่ว่าหน้าตาน่าเกลียดหรอกหน้าตาสวยแต่ว่าร่างกายจริงๆก็น่าเกลียดมีความทุกข์บิบคัน้นบางคนสวยไม่ต้องไปพูดเรื่องเครื่องไหนที่คล้ายๆตือหวนเลยมันไม่ใช่ไม่ต้องดูขนาดนั้นดูไปสิร่างกายมันเป็นของดีเหรอเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะแล้วร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังไปหนึ่ง ข้างในใส่ของโสกปลกไว้ถุงใบนี้นะาครงลงร่าง้่ข้างนอกดูดีแค่ไหนก็ตามครัข้างในก็ใส่ของโสกปลกไว้มีรูรั่วล่างกายเป็นถุงที่มีรูรั่วมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดตามหน้าเราที่ว่าปุดผ่องนะก็มีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาลอตอนนี้ร้อนแนละ้วเอามือรูปหน้าดูสิกล้าไหมสิวขึ้นไม่รู้นะก็โสกปลก เห็นมันด hmm. ูไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะแต่ตรงที่เห็นมันไม่สวยไม่งามเนี่เป็นสมถะนะตรงที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นเป็นสมถะเนี่ยใจจะเกลียดมันไม่ได้เป็นกลางใจจะเกลียดเห็นแบบโสดลกเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยใจจะไม่ชอบร่างกายแต่ไม่ได้เป็นกลางต่อร่างกายแต่ถ้าเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันไปเรื่ยนะสุดท้ายใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง เห็นแต่ความเป็นทุกข์อย่างร่างกายเนี่ยความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาแรกไม่ชอบนะแต่รู้เลยว่าหนีไม่ได้ในในก็ต้องอยู่กับมันนะสุดท้ายใจก็เป็นกลางกับมันพอเป็นกลางกับมันกลับไม่ทุกข์หนึ่งร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์เมื่อเราเรียนเฝ้ารู้เฝ้าดูกายดูใจนะัจนวันนึงเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาขั้นแรกเข้าด้วยสตินะเห็นรูปสวยใจจิตมันชอบรู้ว่าชอบนะ ชอบแล้วเราไปเห็นความชอบเราเกิดไม่ชอบความชอบนี้แหมใจไม่เป็นกลางไม่ชอบมันรู้ว่าใจไม่เป็นกลางล้ใจยินร้ายเกิดขึ้นแล้วรู้ทันตรงนี้ยรู้ทันยินดีรู้ทันยินร้ายนะเบื้องต้นรู้ด้วยสตินี่แหละมันจะเป็นกลางแต่กลางชั่วคราวต่อไปพอมันเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นสติรู้กายมากขึ้นมากขึ้นเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะการเห็นเป็นทุกข์ของกายนี่เห็นง่ายที่สุดเพราะว่ามันทุกข์จริงๆ เราไม่ต้องแก่ก็ทุกนะเด็กนมเด็กสาวก็ทุกนะนั่งก็นั่งกระยุกก็ยิกก็ยุกไปเรื่ atur, อยเดี๋ยวก็เกาโน่นเกานี้ไปเรื่อยเพราะมันทุกเนี่ยพอเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะต่อไฟมันจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายไม่ใช่ของวิเศษร่างกายไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยนะไม่ใช่ว่าโอ้หเราก็คบประงวมมันไว้อย่างดีเลี้ยงดูมันอย่างดีนะดูแลมากเลยขับถ่ายธรรมดาก็ไม่ได้ต้องดีท็อกด้วยอะไรเงี้ยนะโอ้ปฏิบัติสุดท้ายมันหักหลังเรานะ สุดท้ายมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายทําไงมันก็เลี้ยงมันเท่าไหร่สุดท้ายมันนําทุกข์นำโทษมาให้ธาใจเราเข้าไปยึดถือมันเราดูร่างกายเหมือนดูลูกของตัวเองเลยนะเห็นมันเติบโตเห็นมันแก่เห็นมันจะเจ็บไข้มันจะตายอะไรเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราดูเหมือนดูคนอื่นไปด้วยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้แปลกปวนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมีแต่ธาตุไหลเข้ามีแต่ธาตุไหลออกทั้งวัน ถ้าไหลเข้าไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ตายไหลเข้าแล้วไหลออกไม่ได้ก็ตายนะความทุกข์ก็บีบคั้นดูไปเร่อยไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยรู้เลยร่างกายเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้หวังว่ามีร่างกายที่สุขภาพดีแล้วจะมีความสุขมันดีตลอดไม่ได้เพราะงั้นเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงแล้เนี่ยถ้าปัญญามันแก่กล้านะเห็นว่าใจใจปล่อยวางอันนี้สําหรับคนซึ่งอาศัยมีสติรู้กายมากนะใช้กายเป็นฐาน จะปล่อยวางกายเพราะเห็นกายเนี้ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ส่วนคนที่ดูจิตรวดมาตั้งแต่ขั้นต้นไม่ได้ดูกายดูแต่จิตรวดเลยเนียมันจะเห็นเลยว่าถ้าจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดนะจิตจะทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์จะเห็นตรงนี้นะสุดท้ายจิตเลยไม่เข้าไปยึดกายหรอกเข้าไปยึดที่ไรก็ทุกข์ทุกจิตยึดกายมันไม่ได้ยึดแค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กาย เผลอๆมันยึดเอาอไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่โภชนาภาเข้าไปอีกออกนอกไกลขึ้นไปเลยด้วยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะใจเลยไม่เอาใจทิ้งกายก็พ้นได้เหมือนกันนะดูกายก็เป็นพระานาคาดได้นะดูจิตก็เป็นพระานาคาดได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่เอาไม่เอากายไม่เอากายคือไม่เอาตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเอาทําไมมีแต่ทุกข์แต่โทษเพราะปัญญามันเห็นอย่างนี้ทุกข์เพราะว่าตัวมันไม่ดี ตัวมันมีทุกบีบคั้นหรือทุกเพราะเราไปยึดมันแล้วเราทุกข์ด้วยตัวมันไม่ดีอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปยึดมันเลยทุกข์ไปด้วยเนี่ยถ้าเราดูจิตมาจะเห็นเลยเข้าไปยึดเราทุกข์นะจิตจะไม่เข้าไปยึดหรอกนัเฝ้าดูต่อไปนะสุดท้ายก็เหลือเข้ามาที่ใจอันเดียวเห็นแหมเราคลายความยึดมาเป็นขั้นๆ น, นะเบื้องแรกทิ้งอารมณ์ก่อนรูปเสียงกยลิ่นรสผนธภัณธ์มารมณ์เป็นของข้างนอกต่อมาเราปล่อยวางตาหูจมูกลิ้นกายส่วยของกายได้ ขั้นสุดท้ายปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตก็ผ่านด้วยวิธีเดียวกันคือเห็นทุกเห็นโทษของจิตคนซึ่งเดินในการปฏิบัติแต่ละคนนะบางทีมันมีช่วงช้าช่วงเร็วที่ต่างกันบ้างนะถ้าพวกที่ดูกายเนี่ยอาจจะผ่านขั้นที่3มเร็วหน่อยพวกดูจิตจะผ่านขั้นสะุดท้ายง่ายพวกดูกายบาทีไปติดอยู่ขั้นนั้นแหะพอดูกายปล่อยกายแล้วอยู่ที่จิตดูต่อไม่เป็นรักษาจิตให้เที่ยงนิรันดร อ, อยู่นะ รักษาตัวผู้รู้อยู่ยนั้นเลยไปไม่รอดหลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อเองว่านักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะี่ยส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีผีใหญ่ของท่านนะมีความหมายคือเป็นพระนาคามีไม่ยึดตือกายแล้วนะแต่ว่าจะเข้ามาจับอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยปล่อยตัวรู้ไม่เป็นหรอกเพราะไม่รู้ด้วยว่าต้องปล่อยนะท่านบอกว่าถ้ า, ถาพบผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้อีกทีหนงทำลายก็ทำลายด้วยการเห็นไตรลักษณ์ของจิต งั้นจากพวกเราหัดดูจิตตั้งแต่ขั้นเบสิกนะเราเห็นจิตทํางานเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยนี่เราเห็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยถึงขั้นสุดท้ายง่ายนะใช้เวลาไม่มากนะจะเห็นก็เห็นจิตเกิดดับไม่ใช่เห็นว่าจิตเที่ยงไม่ใช่เห็นว่าตัวรู้เที่ยงแล้วฝากเป็นฝากตายกับตัวรู้จะเห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดใช่ไหมมีไหมใครเป็นตัวรู้แล้วก็เป็นตัวคิด เดี๋ยวก็ไปเป็นตัวเพ่งไม่ใช่เป็นตัวรู้ตลอดเป็นตัวรู้ตลอดทําได้ไหมทําได้ชั่วคราวจับตัวรู้ไว้ทำสมถะนั่นเองกลายเป็นสมถะไปตายแล้วไปพรมโลกที่หลวงปู่ดูลว่าผีใหญ่นั่นเองแต่ถ้าเราเห็นตัวจิตเองนะก็เป็นของแปลกปลวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะปล่อยได้เหมือนเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ปล่อยกายได้แต่กายเนี่ยตัวทุกข์จะเด่นจิตเนี่ยตัวไม่เที่ยงจะเด่น กับตัวอนัตตาจะเด่นงั้นเวลาดูจิตดูใจนะเราจะเห็นจิตสุขเกิดระดับจิตทุกเกิดระดับจิตที่จิตชั่วเกิดระดับจะเห็นง่ายจิตสุขจะเกิดสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นี่ไม่บังคับไม่ได้จิตชั่วนะหรือจิตทุกจะสั่งไม่ให้เกิดมันก็ขยันเกิดเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปเห็นมมีแต่ของบังคับไม่ได้คือเห็นอนัตตา พวกที่ชนานาญดูกายเนี่ยเวลาผู้เจ้าสอนนะท่านจะมุ่งไปที่ตัวทุกข์ดูง่ายกายเนี่ยตัวทุกข์ดูง่ายแต่เวลาสอนเรื่องตัวจิตเนี่ยสังเกตดูท่านสอนตัวจิตนะถ้ากายเนี่ยจะทุกขังอนัตตาถ้าดูจิตเนี่ยจะอนิจจังอนัตตากายดูเป็นอนัตตาถ้เป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกจิตเป็นอนัตตาอยู่ตรงที่สั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอย่างในบท ที่พระเจ้าสอนนะจะอยู่บททําวัดเช้าจะมีท่านบอกว่าสอนพวกที่ดูจิตเนี่ยท่านจะเน้นที่ขันห้าเพราะขันห้าเนี่ยแยกสิ่งที่ตัวเ ร, เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะถ้าแยกพวกที่ชํานาญดูจิตท่านจะสอนเรืให้แยกเป็นขันห้ารูปมี1 น, นะแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นส่วนของนามธรรมาเป็นส่วนของจิตใจนะเพราะฉะั้นตัวหลักจะเป็นส่วนของจิตใจสำหรับพวกที่ถนัดดูจิตเนี่ยท่านจะสอนขันห้าให้มาก ถ้าพวกถนัดดูกายแคไปสอนอายตนะหตาหูจมูกลิ้นไก่นี่เป็นส่วนของรูปมีใจอันเดียวเป็นนามนธรรมนะส่วนขันห้าเนี่ยรูปเป็นรูปธรรมอันเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นนามนธรรมพวกนามนธรรมเนี่ยถ้าจะสอนรูปปังอนิจจ์รูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาความจําได้หมายรู้ไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาความปรุงแต่ง ความปรุงดีความปรุงชั่วปรุงโลภปรุงโปรดปรุงหลงลไม่เที่ยงวิญญาณนางอนิจจังตัวรู้อารมณ์นะจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงแล้วท่านกระโดดเลยถ้าไม่ทุกขังนะท่านรูปังอนิจจังแล้วท่านก็โต ด, ดขึ้นไปรูปังอนัตตาเลยนะข้ามทุกขังไปนี่เป็นการสอนพวกดูจิตนะดูจิตจะเห็นอนิจจังแล้วโดดขึ้นอนัตตานี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองเลยนะอยู่ในพระตจปิติก็มีอย่างนี้แหละ รูปังอ น, นิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารา น, ตต า, ญญานัตตาวิญญาณังอนัตตากระโดดขึ้นอนัตตาไปเลยให้เราค่อยดูแต่ว่าถ้าไม่ได้ภาวนานี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมท่านกระโดดเ้าเลยไปโมเมลไปโมเมลบอกว่าท่านข้ามตัวทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นว่าสิ่งท่านเคยพูดเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ท่านก็เลยบอกมันเที่ยงไม่เที่ยงกับทุกมันอันเดียวกันเลยรวบไปอันเดียวกันไม่พูดอีกประโยคหนึ่งท่านบอกว่าสิ่งใดเป็นทุกข์เป็นสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วก็พูดแค่ไม่เที่ยงก็พอแล้วทําไมต้องไม่ไม่เที่ยงแล้วไปอนัตตาอธิบายอย่างนี้ไม่ได้่ะไม่เข้าใจที่จริงก็คือผู้ปฏิบัติถ้าเราหัดดูจิต ด, ดูใจเราจะเห็นมันไม่เที่ยงกับเราบังคับไม่ได้ใช่ไหมดูจิต ด, ดูใจให้มีความสุขได้ไหมง่ายที่สุดเลย น้อมจิตจับเข้าไปในความว่างๆดิงๆทาสมถะแล้วบอกว่าดูจิตอยู่สิมีความสุขทันทีเลยนะเงินท่านไม่บอกเลยว่าดูดูดูดจิตนะเห็นทุกขังง่ายเห็นยากนะแต่เห็นอันนี้จังนัตตาเนี่ยง่ายที่สุดเลยอย่าไปดูนะตัวว่าคงที่ตรง ต, ต, ต, ต, ตัวบีบคั้นจิตเนี่ยฝึกให้มากๆมันมีความสุขเยอะนะดูว่ามันถูกบีบคั้นดูยากงนะั้นพวกผมนะ ไปดูจิตวัตถุบีบคั้นเนี่ยดูยากที่สุดเลยเพราะว่าจิตมันมีความสุขความสบายดูยากแต่ถ้าพรหมเห็นจิตเป็นอนิจจังดูได้นะพรหมเห็นจิตเป็นอนัตตาเออมันทํางานได้เองอย่างนี้ดูได้นะเพราะฉะนั้นถ้าพรหมพวกพรหมนะโดยเฉพาะพรหมที่ไม่มีร่างกายนะถ้าเป็นพระอริยะบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตนะีแล้วไปเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกายนะีสามารถเดินวิปัสสนาในอรูปฌานได้นะถ้า ไม่ชํานาญในการดูจิตใจนะเดินวิปัสสนาในอรูปไม่ได้อย่างเราดูกายเก่งนะตอนตายจะพลัดจะบผูไปจับเอาความว่างเข้าอรูปไปตายแล้วไม่มีรูปจะดูแล้วไปดูอะไรล่ะเคยดูแต่รูปใช่ไหมสุดท้ายมันจะไปดูดูจิตไม่ได้ดูยากงั้นถ้าคนไหนหัดดูจิตดูใจให้ชํานาญไว้นะกระทั่งตายไปเป็นอรูปประพรมเคยดูจิตจนชํานาญมันก็จะดูต่อได้เดินปัญญาต่อได้เห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นอนัตตาแต่ไม่เห็นมันเป็นทุกข์หรอกนะ มันจะสุกอยู่งั้นแหละแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันสั่งไม่ได้ะจิตพวกเราสั่งได้ไหมอยากคิดห้ามคิดคิดหนักกว่าเก่าอีกบางคนได้ยินหลวงปู่ดูนสอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่พกะอาศัยคิดไม่เข้าใจตรงนี้กลายเป็นพยายามจะไม่คิดหลวงปู่ดูนบอกจิตมีหน้าที่คิดนะมันต้องคิด แต่ทำไมคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในขณะที่คิดแต่ไม่รู้ในขณะที่รู้ว่าคิดนั่นแหละรู้นะทีนท่านถึ ง, ถง บ, บทสุดท้ายท่านบอกต้องอาศัยคิดให้มันคิดนะคิดแล้วเรารู้ว่ามันคิดจิตรู้มันก็เกิดนะธรรมะนะถ้าไม่ภานานโะม่วม่เอายากไปไหมวันนี้ตอนแรกก็สอนง่ายๆแล้วนะสอนเรื่องรูปเสียงจิตรสเอาใจมวลชนบ้างแล้วนะคนบอกหลวงพ่อประ r m a เนี่ยเทส์ยิง่งเทส์ยิ่งนานวัดยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ พ่อเทศแล้วมันต้องธรรมะมันประนีลึกซึ้งเนี่ยจิตใจพวกเรามันยกระดับขึ้นใช่ไหมนี่หลวงพ่อเจอหน้าพวกเราเขาอไปทําทานนะทําทานดีนะอยิ่งทํากับหลวงพ่อได้บุญเยอะเงี้ยอ๋อไมันจะได้อะไรขึ้นมามนได้ความโง่อ ย, อยู่นั่นเองนะได้คงที่อยู่แค่นั้นไม่เจริญไม่งั้นฟังธรรมะนะถึงยากหน่อยก็ต้องอดทนมีซีดีให้ฟังมีความสุขแล้วขาดสติ นะนะรู้ทันนะรู้ทันมีความสุขแล้วเพลินอยู่อย่างนี้ติดอะไรติดกายติดใจหรือติดอารมณ์ติดอารมณ์นะเรารู้ทันเห็นหน้าหลวงพ่อพพมแล้วมีความสุขแปลกนะเห็นหน้าหลวงพ่อมีความสุขนะแล้วพอหลวงพ่อมองหน้าแล้วสัน่นะเอาไงแนะ่ปรากฏแล้วกลัวกลัวหลวลงพ่อนะแต่อยากเข้าใกล้กลัวอะไรรู้ปะ ตัวหลวงพ่อเปิดโปงไม่ได้ตัวอย่างอื่นเราไม่เปิดโปงนะนี่เป็นปฏิญญาเป็นจรร ญ, ญาบานของครูไม่เปิดโปงลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ต้องเปิดโปงตัวเองลอกเปลือกตัวเองเออกมายาวตัวปลอมมาบอกอาจารย์นะถ้าเราลอกเปลือกตัวเองไปเรื่อยๆรื่อเราจะพบว่าตัวเราไม่มีคิดถึงต้นกล้วยเราลอกกราบไปเรื่อยๆยนะสุดท้ายไม่มีอะไรเลย ความเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเพราะงั้นเรียนธรรมะอย่ารักหน้าเรียนธรรมะให้รักธรรมะนะทำอะไรที่จิตเราจะเจริญขึ้นอย่าปกปิดไว้เพราะพระพุทธเจ้าสารรเสริญมากเลยอย่างคนไปขอขมาขอขมาพระพุทธเจ้ามีเยอะๆนะไม่ใช่ไม่มนะีท่านบอกว่ามันเป็นความเจริญในอริยวิไนยใ น, ในมรรคผลเส้นทางแห่งมรรคผลนผลิพพาน เราทําความผิดไว้กล้าเปิดเผยออกมามันจะไม่รักหน้าเซนะลล์มันจะลดลงนะกลายเป็นว่าเรารักความจริงรักสัจจะรักความจริงรักสัจจะวันหนึ่งใจเราก็เข้าถึงสัจจะเพราะฉะนั้นเราเลวแค่ไหนนะอาจจะไม่ต้องบอกคนอื่นก็ได้แต่ต้องรู้ด้วยตัวเองคําว่าไม่รักหน้าเนี่ยต้องไม่หลอกตัวเองนะตัวแรกเลยนะไม่ใช่ว่าเราเลวมากเลยนะเห็นหน้าสมมติเห็นหน้าคนนี้ เกลียดมากเลยก็เดินไปบอกเนี่ยผมรู้สึกเกลียดหน้าคุณมากเลยไอ้นี่โง่แล้วนะแต่ว่าต้องรู้ทันว่าใจเรานี้ยมันร้ายไว้เขาไม่ได้ทําอะไรเราซะหน่อยเกลียดเขาแล้วเนี่ยดูของจริงของเรานะเปิดเปลือกเปิดเปลือกตัวเองให้ตัวเองเห็นนะจนวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถตรีเตียนตัวเองได้เลยดูลงไปไม่มีความชั่วแฝงอยู่เลยน ะ, ะวันนี้เท่านี้ก็พอนะกลับแล้วมเาเการหลวงพ่อคะ่ะก็ ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ก็ไปอยู่ในอารมณ์นานค่ะแล้วก็ก็จะเห็นว่ากีเลสของเราเนี่ยเยอะแล้วก็ชอบไปว่าคนอื่นเพราะว่าแบบเราเป็นโทสะจริตนะคะก็ธรรมดานะหลวงพ่อเปิดทางไว้ให้แล้วลวาลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นพวกโทสะเยอะ ค่ะแต่ว่ามันก็จะเห็นตามว่าแบบไปว่าคนอื่นไปว่าคนอื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความคิดแบบอ้าวไปว่าคนอื่นอีกแล้วย่างนั้นเสียศีลนะถ้ามันว่าอยู่ในใจศีลยังไม่ขาดนะถ้าออกไปข้างนอกแล้วศีลเราขาดแล้วเพราะฉนั้นตั้งใจว่าเราฉลาดศาสศีลห้านะตื่นนอนมาก็ตั้งใจกลางวันก็ตั้งใจเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจไปเรื่อยมันจะคล้ายๆเตือนตัวเองต่อไปจะไม่ว่าเขา ค่อยๆฝึกไปแล้วม like ันก you know ็อยากจะได้อยากจะทําอยากจะปฏิบัติอย่นก็นั่นแหละนะรู้ทันกิเลสไปด้วยเห็นไหมให้กิเลสไม่เที่ยงเห็นไหมกิเลสบังคับไม่ได้นั่นแหละดูเพื่อให้เห็นตรงนั้นไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาชนะกิเลสนะจะดูเพื่อให้เห็นว่ากิเลสก็ไม่เที่ยงกิเลสก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ห้ามไม่ได้อะไรเนี่ะ ดูไปเพื่อให้เห็นความจริงตรงนี้ไม่ใช่ดูเอาดีเอาสุขเาาสงบอะไร ห, หรอกดูบ่อยๆจิตเข้าบ้านหรือเปล่าขนาเ น, นี้ยไม่เข้าเจ้าค่ะเออให้รู้ทันว่าจิตออกนอกบ้านน ะ, ะต้องกลับบ้านนะเธอจะเจอพ่อกลับบ้านส่วนใหญ่จะก็คือมันจะมีช่วงที่กลับบ้านบ่อยกับไม่ค่อยกลับบ้านเจ้าค่ะอย่างนี้ธรรมด า, เ, าเป็นธรรมดาน ะ, ะบางช่วงก็จเจริญบางช่วงก็เสื่อมนะ เวลาเจริญแล้วกลับมาบ้านนะมีความสุขชิดใจอยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญามีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะมีครูบาอาจารย์ไม่ได้ตัวคนเดียวกลับบ้านบ่อยๆเนะจค่ะได้ทำอย่างนั้นน ะ, ะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้แล้วละนะมัสะการครับ จิตช่วงนี้มันจะฟุ้งซ่านบ่อยครับแล้วก็ออกนอกจนมันไม่มีแรงอย่างนี้เราสามารถทําสมถะใช่ใช่สมถะพุโทโธพุโทโธไปหนือหายใจไปนะแล้วจิตหนีไปรรเรารู้พุทโธจิตหนีแล้วรู้หายใจจิตนี้เรารู้นะแต่ไม่บังคับว่าต้องเข้าบ้านต้องดีต้องสงบน ะ, ะแค่ปฏิบัติเฉยเฉยจิตไหลเรารู้ไหลแล้วรู้นะมันดีเองมันสงบเองสมาธิไม่พ อ, นะอแต่ว่าที่ฝึกมาใช้ได้แล้วนะ ขันแยกเป็นล okay. แล้วแล้วในฐานะที่ต้องบางทีแนะนําธรรมะเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ครับจะวางใจยังไงไม่ให้มันฟุ้งซ่นานต้องคอยรู้ทันนะพูดธรรมะบางทีเราภาวนาจุดตรงนี้แยกธาตุแยกขันเป็นละสิ่งที่มันจะตามมาคือวิปัสสนูปกิเลสนะมันจะเริ่มเห็นธาตุขันเกิดดับได้ในวิปัสสนุจะมาวิปัสสนูตัวหนึ่งคือความฟุ้งซ่านในธรรมะนะ ถ้าจําเป็นจะบอกก็บอกนะถ้ายัางไม่สมควรบอกเราก็ไม่พูดไม่ใช่เขาไม่ได้พร้อมจะฟังก็ไปเข็นให้เขาฟังอย่างนั้นไม่ได้นะ <Okay. S 1> แล้วเราต้องมีจรร ญ, ญาบรนเรารู้แค่นี้เราภาวนามาได้แค่นี้อย่างของคุณภาวนามาแยกธาตุแยกขันเป็นแลสอนมาถึงตรงนี้ได้นะ <Okay. S 1> สอนให้ดูธาตุดูขันแสดงใจรักได้ไม่สอนเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะยังไม่เห็นนะ <Okay. S 1> สอนเท่าที่เราทําได้จริงๆ เพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดถ้าเราไปสอนคนอื่นแล้วเรามั่วนะพลาดเราบากต่อไปเวลาเราภาวนาลึกละเอียดขึ้นไปเนะี่ยมันจะสับสนขึ้นมาเองกรรมจะให้ผลนะกว่างการปฏิบัติของเรางั้นสอนเท่าที่เรารูนะ <Okay. S 2> แล้วถ้าไปสอนเป็นกลุ่มๆสอนตัวคนเดียวหรืออะไรก็ตามเนะนี่ยหลวงพ่อแนะนําอย่างนี้นะถ้าจะสอนกรรมฐานเนะี่ยอย่าสอนตัวต่อตั ว, ตวกิเลสเรามีสอนตัวต่อ ต, ตัวเนี่ยเสียท่ากิเลสไปเยอะล้ นะสอนในกลุ่มได้หมดเวลาแล้วเลิกกันนะอย่าไปให้โทรศัพท์เขาไม่โทรไปหาเขานะไม่ให้เข้ามาบ้านเราเราก็ไม่ไปบ้านเขานะสอนในที่สาธารณะที่เปิดเผยเนะี่ยถึงจะปลอดภัยนะไปสารเดี่ยวเดๆจะเสร็จหมดเลยสู้กิเลสไม่ไหวหรอกอย่างบางคนนะสอนผู้หญิงคนหนึ่งเขา อ, อกหักสงสารเขานะปลอบไปปลอบ ม, มาเลยไปแต่งงานกันแล้วอ <laughs> เมตตากลายเป็นราคะแคบเดียวเสียผู้เสียคนเลยก็ข อ, อการบ้านหลวงพ่อครับไปทําสมาธิเพิ่มขึ้นจิตไหลแล้วรู้บ่อยๆอคคดีแยกขันได้ชำนาญแล้วขอนอมน้อมแด่พระสรัมมาสัมพุทธเจ้านมัจการหลวงพ่อค่ ะ, ะครั้งที่แล้วไปส่งการบ้านหลวงพ่อตอนปีใหม่หลวงพ่อบอกว่าจิตมอง ต, ตอนนั้นน่าดูไม่ออกแต่พอออกมาจากวัดก็รู้สึกว่าอ๋อเราไปข่มเหงจิตคือวันนั้นจิตมันอยากจะส่งการบ้าน อ, อยากอธิษฐานอะไรของหลวงพ่อวันปีใหม่เนี่ยแต่เราไปบอกว่าไม่ได้คนอื่นเขาต้องต้องมีเวลาอะไรเงี้ยต้องส่งการบ้านให้สั้นที่สุดอืแล้วก็เลยข่มเพงจนแบบตอนที่ไปนั่งสมาธิที่ศาลา คือขมไปเนี่ยน้ําตามันจะไหลออกมาเลยค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้ตัวอพอเข้าไปฟังเทศหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าจิตเขาแบบเขาเขาเศร้าะอะไรเงี้ยเราไม่ทราบเพราะเราก็มวัวแต่ปิติฟังเทศหลวงพ่ อ, อเสร็จแล้วก็เลยแบบนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราไปข่มเหงเขาไว้อะไรเงี้ยค่ะขมเหงมันนะมันจะบอบช้ําไปช่วงหนึ่งนะค่ะเนี่ยตอนนี้มันยังช้ําอยู่แต่ไม่ช้ํามากแล้วดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีปัญหาอีกอันนึงก็คือสมาธิค่ะ แต่ก่อนองพ่อบอกว่าไปทำสมาธิแบบผิดคือไปทำโมหะสมาธิที่นี้ก็ไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตอนนั้นพอขี้โมโหก็เลยเปลี่ยนสมาธิใหม่พอมานั่งสมาธิก็ใช้วิธีคือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจ อ, ออกนับหนึ่งนี้นะคะพอนับได้แค่หกเนะะี่ยค่ะ ไม่รู้สมองหรือจิตมันจะพลิกกลับมาบอกว่าหายใจออกเนี่ยแก้ทุกข์หายใจเข้าแก้ทุกข์มันไม่ยอมนับต่ อ, อหให้รู้ทันนะว่าใจมันฟุ้งซ่านนั่นนะคะแล้วจะแก้ยังไง ค, ไคะถ้าไม่ยอมมันสินึกได้เข้มานับเลขต่อให้นับต่อไปอย่างเงี้ยนับต่อไปสินะงั้นเดี๋ยวมันจะสอนหายใจเข้าสวสดที่นี่หายใจออกว่างี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันไม่ได้สมาธิสติอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันมันจะฟุ้งในธรรมะ ครัค่ะใช่ครขบงพ่อขอพระคุณค่ะดีต้ให้สมาธิเพิ่มขึ้นดีกราบนลวัสการพระอาจารย์ค่ะโยมยังไม่เคยส่งกันบ้านกับพระอาจารย์เลยอะค่ะทีนี้ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าสงสัยตลอดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับจริตแบบไหนหรือว่าต้องภาวนาแบบไหนรัก <ใน S 2> สวยรัก ง, งามหรือเปล่าหรือว่าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคิดตลอดเวลาเลยอะค่ะคิดธรรมดาหรือว่าคิดยุ่งกับคนอื่น อันนี้ถูกอันนี้ผิดเรื่องดีอันนี้เม่ดีใช่ค่ะชอบตำหนิคนอื่เออนะใช่งั้นให้รู้ทันจิตแต่ว่ารักกายก็รักเยอะนะดูกายด้วยดูจิตด้วยคือพอมาดูกายทีไรมันก็จะแน่นๆนะคะหลวงพ่อมันไปจ้องไปเพ่งกายมันไม่ได้ดูกายแต่ดูจิตถ้าไปจ้องมก็แน่นเหมือนกันต้องรู้ว่าจิตมาเพ่งเหมือนวอกกลับอย่างเงี้ยค่ะใช่ว่ามันเพ่งให้ให้ดูอาการที่เขาวอกกลับมาที่กายใช่ไหมคะ มันเลนะิกเพ่งแล้มันก็ธรรมดานี่เองคื อ, ค, อคือที่ผ่านมาหนูบริกรรมพุโทโอะอะค่ะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่หนูกลัวผีมากก็เลยบริกรรมพุโทโธเกือบทั้งคืนแล้วก็ ม, มันก็มันก็เห็นเหมือนกับอะไรอยู่ข้างนอกพุโทโธอะไรแล<ม>้วก็เวบหนึ่งก็เห็นว่ากายเนี่ยอยู่นอกพุทโธอันนั้นที่เป็นสมถะหรือเปล่าคะไม่เป็นมันค่อยแยกขันได้กายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความคิดก็อันหนึ่งเนา ะ, ะใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่อีกอันหนึ่งค่ะ ไอ้ที่อยู่ข้างนอกพุทโธนี่มันคืออะไรคะที่มันไหลไหลมันไหลไหลเหรอมันเหมือนวุ่นวายวุ่นวายอยู่ข้างนอกตัวฟุงซ่านอันนั้นคือคิดใช่ไหมคะใช่ตัวคิดตัวฟุงซ่านเลยตัวชิดเลยค่ะงั้นหนูอยากขอการบ้านอว่าหนูต้องให้รู้ทันให้รู้ทันมันนะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ค่ะต้องเพิ่มสมาธินิดหน่อยสมาธิอ่อนไปหมายถึงว่าให้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่งนั่งหรือยืนหรือเดินก็ได้แต่ว่าพอจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ ติดเคลื่อนแล้วรู้ค่ะอะนะรู้บ่อยๆงนมรดการหาหลวงพ่ออืมวันนั้นหลังจากที่หนูผิดหวังแล้วหนูก็เศร้าเหมือนพ่อแม่หนูตายโอเศร้ามากต้องไม่ให้จิตติดอารมณ์นะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจิตเราติดอารมณ์่ ะ, <น>ะเสร็จแล้วหนูก็หยุดไปพักมเอึ่งคิดอีกทีว่าเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติก็ยิ่งผิดสิใช่ก็เลยปฏิบัติต่อก็ถูกแล้วล่ะ ไม่ปฏิบัติก็ตายเปล่าคปฏิบัติแล้วอาจจะนิพพานเสร็จแล้วตอนนี้มันมันมาติดก็คือว่ามันฟุ้งยาวเออฟุ้งยาวเพราะบริกรรมไปค่ะแท<ต>นที่มันจะฟุ้งคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ให้มันฟุ้งอันเดียวมันคิดแต่พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า ม, มันรู้เหมือนรู้ไม่จริงลูกชายเปิดโทรทัศน์อยู่แต่หนูเดินปัญญาได้หรือว่าหนูรู้ไม่จริง จริงไม่จริงอยู่ที่จิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นมันไหลไปเรื่อยเลยเออถ้าไหลก็ไม่จริงนะถ้าจิตตั้งมั่นก็จริงแหละขอคําแนะนําฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะบริกรรมไปไม่ปล่อยให้มันคิดเลวไหลมันคิดไปเนี่ยมันจะคิดบั่นทอนตัวเราเองมันชอบทะเลาะกันด้วยโอนนะเดี๋ยวทะเลาะสะเลาะตัวเองก็มีนะะเอองั้นมันจะคิดบั่นทอนตัวเองให้มันมาคิดพุทโธพุทโธพุทโธทั้งวันเลย แล้วใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้มากเลยนะคารวาเนี่ยจุดออนมากๆเลยคือสมาธิไม่พอต้องซ้อมนะพุทโธพุทโ ธ, ทธจิตไหลแล้วรู้ฝึกให้มากเลยพุทโธมันก็ดีนะหรือลมหายใจก็ดีเพราะว่าไปไหนมันก็ทําได้เอย่าคนไหนจะเพ่งกระสินนะเพ่งไฟเงี้ยไปไหนจะถือเทียนไปด้วยก็แปลกนะขึ้นรถไฟฟ้าก็จุดเทียนออก็เตวมานั้นทําไม่ได้นะขึ้นรถไฟฟ้าก็หายใจได้เห็นไหมคำแนะนําค่ะ ได้แล้วไปพุโทโธพุโทโธนะแล้วจิตเคลื่อนแต่เรารู้นะกราบขอพระคุณค่ะเอออย่าให้จิตติดอารมณ์จิตยังติดอารมณ์เก่งอยู่นะพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะไม่เข้าไปติดอารมณ์อ้าวต่อไปกราบนะนระมารสการหลวงพ่อคะ่ะอ <c oughs> เออส่งกันบ้านในรอบหกเจ็ดเดือนนะคะ <c oughs> ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่า เลาจะรู้ตัวได้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีโทสะบ่อยในในช่วงที่มีโทสะนี่บางทีก็จะมีเผลอหลุดรางวาจาอยู่เ อ, อ่อก็เลยอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าบางครั้งเนี่ยการการรู้สึกตัวเนี่ยและเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเนี่ยยังเกิดจากความคิดเปรียบทเทียบอยู่ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ค่ะคือคือยังไม่คิดว่ายังไม่เห็น ท, ทันาที่ภาวนาก็พอใช้ได้นะ ใจมันก็เป็นคนดูได้บ้างแล้วล่ะอันนี้ก็เลยจะกราบขอคําแนะนําว่าจะต้องไปทําอะไรเพิ่มดูไปสี่ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะดูบ่อยๆดูกายได้ชัดอยู่ดูกายชัดดูกายไปเห็นไหมกายไปยักหน้ากายกวาดบ้านกายถูบ้านกายซักผ้ากายทํากับข้าวนะกายอาบน้ํากายแต่งตัวอย่างนี้เออเดินที่รู้สึกตัวจะเห็นกายนั่นแหละเห็นกายชัดกว่าจิตดูกายไป เราเห็นไหมแล้วพอเราดูกายเรื่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดเราก็เห็นมันเห็นเองนะทางคั้งที่แต่เดิมเป็นคนคิดมากแต่ตอนนี้ทำไมคือสงสัยว่าทําไมถึงได้ได้เห็นแต่กายแต่ก็เริ่มแต่ก็เริ่มเห็นใจมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวมันเห็นเองดูกายไปก่อนนะค่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดมากเลยมันรักกายด้วยะมันซ่อนไหมซ่อนมันรักสวยรักงามค่ะกลาบขอบพระคุณ พวกเราขี้โมโหนะหลวงพ่อมีเรื่องเล่าให้ฟังใครอายุต่ำกว่าสามสิบปีบ้างยกมือสิในห้องนี้อายุน้อยกว่าสามสิบยก<ม>เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อสักสามสิปีก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็นั่งน่งแล้วท่านก็ลำพึงลำพันเราดูดูนะหลังๆนี้สัตว์นรกขึ้นมาเยอะเหรือกน ต่อไปนงคนมันใจะใจร้อนมากเหมืนมีขี้โมโหมันจะทําร้ายกันเยอะเลยะพวกเราต้องอย่าให้เข้ากลุ่มนี้นะ <c oughs> เราเป็นพวกปัญญากล้าเลยโทสะแดงไม่ใช่พวกขึ้นมาจากสรรนรกหร <c oughs> อกเพราะถ้ามาจากสันนรกมันไม่้นั่งฟังธรรมหรนะอกเนาะเห็นไหมเรารู้จักให้กําลังใจกันเองเนะาะอ้าวต่อไปการนมัสการค่ะหลวงพ่อือม ล่าสุดนี้หลวงพ่อบอกให้ไปดูเ อ, อให้มีวิหารธรรมใช่ไหมคะทีนี้หนูก็พอดีได้ไปอยู่วัดนะคะที่ภารากิจหนูก็ตั้งใจว่าครั้งนี้ต้องไปเอาพุโทโธกลับมาให้ได้อะคะ่ะท <laughs> ีนี้ก็ ก, ก็ก็รู้อย่างหนึ่งคือว่าอ๋สอสงสัยที่เราพุโทโธไม่ได้ก็เพราะว่าเราโลภเกินไปต้องเอาให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็อีกประเด็นสงสัยคือมันเหมือนมันได้เอาได้นะมันจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาถ้าเอาได้ตามใจชอบ ไม่เป็นไปไม่ได้ <K _> ค่ะแล้วก็มัมางงานมีอย่างหนูก็ไม่รู้มันมันยังไงหนูก็ปิ้งขึ้นมาว่าอ๋อหรือว่าที่เราพุดโธไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้รักพุทธเจ้าจริงๆคือมันเหมือนกับมันมันมันเหมือนกับปิ้งว่าอุ๊ยพุโทโธนี่รู้สึกมันจับจิตจับใจขึ้นมาค่ะแต่ว่า <K _> ก็ยังพุดโธรได้บ้างบางทีก็ยังเหมือนกับว่าในแค่สิบนาทีหรือห้านาทีมันก็ไม่ใช่พุดโธอย่างเดียวบางทีพุดโธไปติดก็คิดไปได้ไปเรื่อ ย, อยค่ะปากก็พุทโธที่เราหัดพุดโทรนะก็เพื่อจะรู้ทันนนแหละ จะได้ไม่คิดเรื่องอื่นยาวแล้วไม่รู้ตัวเราหัดพุดโทโธเพื่อว่าจิตไหลไปจะได้รู้เร็วๆวัตถุประสงค์ต้องการตรงนี้นะให้มันมีเครื่องอยู่ใจจะได้ไม่เป็นหลงยาวๆอยู่ในโลกของความคิดถ้าหลงยาวในโลกของความคิดเราก็หายใจตายเปล่าเท่านั้นเองแต่แต่บางทีมันก็ไม่ได้พุโทโธอย่างเดียวนะคะหลวงพ่อบางทีมันก็ดูอิเดียบทได้คิกลับไปกลับมาแต่ที่หลวงพ่อเน้นว่าให้ไปพุโทโธพุโทโธอะไรเนี่ยเพิ่มเพิ่มสมาธิขึ้น ใจเราฟุ้งเก่งใช่ใจมันฟุ้งเก่งก็ต้องให้มันอยู่อารมณ์มันเดียวก่อนเอามโน้นทีอันนี้ทีเนี่ยหายฟุ้งยากใช่ค่ะเพราะบางทีอย่างที่บอกว่าเวลาเราดูสิ่งที่มากระทบทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยค่ะคือแยกกันนะระหว่างการที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นกับการเจริญปัญญานะขั้นที่เราพุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ทําแบบเดียวกัน เดินอยู่นะเขาพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนแล้วก็รู้เพื่อให้ได้สมาธิเมื่อเราได้สมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถึงขั้นเจริญปัญญาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคนละขั้นน ะ, สะแสดงว่าระหว่างวันที่พุทโธมันก็แค่ให้จิตเป็นสมาธิแค่นั้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้อยู่ในรูปแบบถึงจะไปเจริญปัญญาในรูปแบบก็พุทโธไปเอาสมาธิ การทำในรูปแบบเนี่ยทาได้หลายอย่างถ้าจิตเร า, ย, า, รายังฟุ้งซ่านอยู่การทําในรูปแบบก็มุ่งไปที่ทําสมถะถ้าจิตเรามีความตั้งมั่นดีแล้วนะการทําในรูปแบบก็คือการซ้อมเจริญปัญญานะแสดงว่าตอนหนูหนูมักชอบเดินจงกรมขณะที่เดินก็พุโทโธไปด้วยพุโทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุ<ะ>โทโธเฉ ย, ยๆนะค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะหลวงพ่อหนูข อ, อถามมันมันมันคล่องใจค่ะคือว่า ถ้าสมมติว่าเราเหมือนเหมือนกระเตงบาปมากหรือเปล่ปา ค, คือบุญอะไรที่เราทําเนี่ยเราที่เขาบอกว่ามันบุญใหญ่มากๆเลยได้บุญเยอะเนี่ยแต่เราจะรู้สึกเฉยเฉยเหรอเฉยเยธรรมดาใช่จะรู้สึกเรารู้สึกว่าเพราะมันดีเราถึงทําเพราะว่าเราต้องการฝึกเราถึงทําแต่ว่ากับกับอะไรที่ธรรมดามากอย่างเช่นเห็นหลวงพ่อหรือพระสโอษฐ์ครูบาอาจารย์พะรบกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกปราบเพื่อนขึ้นมาอันเนี้ยมันกลับรู้สึกนี่กว่าค่ะเราเราพอนานะเราจะลดละ ตวเองไปเรื่อยๆยการพบพระเทเจ้าพบครูบาอาจารย์มีปีติมีอะไรก็เป็นบุญนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราภาวนานะมากๆแล้วเนี่ยแค่ไปทําบุญไปใส่บาตรเนี่ยจืดๆนะทําอะไรก็จืดหมดเลยเออมันจะจืดเพราะอะไรเราเคยเจอของใหญ่กว่าแล้วถ้าเราเจอคล้ายๆเราเคยกินของอร่อยแล้วไปกินของไม่อร่อยก็งั้นๆแหละแต่ก็ดีกว่าไม่มีจะกินนั่นเองมืนก็เลยรู้สึกว่าตัวเองบาปไม่บาปหลวงพ่อก็เป็น สมัยก่อนเนะอะยังเป็นโยมอยู่ไปอยู่ที่วัดปกติไปภาวนาอย่างเดียวเลยแต่เช้าเชเนี่ยคนอื่นเขาไปเอาข้าวที่โรงครัวนะไปดักใส่บาตรพระก็เดินมาก็มีแต่ข้าวไปใส่ใส่ข้าวก็ไม่ใช่ของตัวเองนะก็ไปเอามาจากครัวไปตักมาคนละขันคนละขั น, นเราเราทุกขทำอะไรวะเหมือนเล่นนะใจก็รู้สึกยังไงไม่เห็นจะเป็นบุญตรงไหนเลยวันหนึ่งเอาบ้างเอาว่าลองดู วาใจจะดาบปลื้มไหมเห็นคนอื่นเขาใส่บาทหน้าตาอย้าตาลอยเราลองบ้างครูบาจารย์ท่านเดินหัวแถวมาพอท่านเห็นหลวงพ่อนะ้เฮ้ยพโมดมาใส่บาทกัเขาด้วยเราก็ใส่ใส่เป็นกิริยาไปอย่างนั้นแหละครับใจมันเฉยอ่ะท่านบอกโออฉลาดว่ะมันควรจะทำก็ทำแต่ทำแล้วมันปลื้มไหมถ้าเรามีบุญน้อยตัวนี้ก็ปลื้ม ถ้าเราเคยภานาบุญตรงนี้มันก็เล็กนิดเดียวมันฐานแต่ถามว่าควรทํำไหมควรทำํำใส่บาทได้ก็ใส่บ้างนะพระไม่ใช่ฉันข้าวเฉพาะวันเราเกิดหรอกค่ะบอกบางทีหนูก็รู้สึกว่าอย่างที่ไปวัดมาคราวนี้รู้สึกว่าแบบตัวเองแย่มากอ่ะแต่ก็รู้สึกมานะเป็นกิเลสนะคะแต่ก็รู้ว่ายังไงก็เลิกไม่ได้อืมต้องสู้เอาใช่ค่ ะ, ะต่อไปกราบนมัสการค่ะ ที่ผ่านมาปฏิบัติโดยดูกายดูใจแล้วแต่ว่าจิตระลึกรู้อะไรค่ะแต่ช่วงหลังพบว่าตัวเองฟุ้งซ่านมากค่ะก็เลยใช้บริกรร ม, มก็พบว่าจิตไหลก็รู้แล้วก็หลงสั้นลงค่ะอย่างนั้นดีแล้วก็พบว่าทุกที่สุดของตัวเองก็คือมานาอัตตาของตัวเองกูเก่งค่ะ<ม><ม>ทำให้ตัวเองทุกเพราะว่าติดดีมากค่ะก็ขอ ก ร, บบราบหลวงพ่อ <นะ S 2> ขาเมตตาแนะนําด้วยค่ะทาอย่างนั้นแหละทาต่อไปนะเรารู้เท่าทันกิเลสแล้วกิเลสก็ามาย้อมใจเราไม่ได้ต่อไปคือจิตเรามันมีอนุสัยจิตเราก็ปรุงกิเลสขึ้นมาเป็นคราวๆ ค, คนทั่วไปเขาปรุงแล้วเนี่ยเขารู้ไม่ทันกิเลสที่กเข้ามาครอบงําจิตเรามีสติพอจิตมันปรุงกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสไม่มาครอบงํานะใจเราค่อยสะอาดสะอ า, าขึ้นไปดีดีดดด่ทำอยู่มีมาหน้าตักก็ไม่เป็นไร ให้รู้เอาพระนนสอนมีตัณหาเพื่อล้ตัณหามีมานะเพื่อล้มานะมีทิฏฐิเวลาทิฏฐิเรื่องนะต้นก็ต้องมีก่อนนะเรารู้ทันเอานะไปทําทําดีแนละ้วแต่จิตจิตต้องสงบบ้างนะจิตต้องให้ตั้งมั่นบ้างก็คือต้องบริการต่อไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะในชีวิตประจําวันได้ทำได้ก็ยิ่งดีหลวงตามหาบัวเคยสอนหลวงพ่อ เชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองนะอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้นะน ะ, นะรครับนมัศการครับก็ช่วงนี้ปฏิบัติมารู้สึกว่าเห็นทุกข์ได้เยอะนะครั บ, รบทุกครั้งที่เราไปคิดเราเผลอไปมันก็จะเป็นทุกข์ไปหมดเลยเห็นไห ม, ไมว่าใจเราเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนก็ไม่เหมือนกันแนละ้วครับผมรู้สึกว่าอยู่อยู่กับโลกแล้วมันมันทุกน้อยลงเราอยู่กับโลกนะเราเห็นโลกเป็นทุกข์เป็นโทษนะแต่ใจเราเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้น นั่นแหละความก้าวหน้าของเรานะต่อไปเราก็อยู่อย่างนี้แหละแต่เราไม่ทุกข์เรามีสิ่งใดหลวงพ่อเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เวลาใจเคลื่อนนรู้บ่อยๆหน่อยสมาธิสำคัญนะในขั้นที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปอย่างหลวงพ่อสอนเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะนั่งแก้แต่เรื่องสมาธินะพอยุกน้อนคนทำแต่มิจฉาสมาธิเพ่งซึมซึมนิ่งนิ่งแข็งแขงเครียดเคร่ยพวกนั้นต้องเลิกเลยทาผิดนะ ก็ต้องค่อยๆปรับสมาธิใหม่แต่พวกเราจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตอนนี้ก็ถึงขั้นเดินปัญญาแต่เดินปัญญารวดไปไม่ได้หรอกจิตไม่มีแรงเราก็ทําสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิฌานสมาธิที่มีความรู้สึกตัวนะเด็กๆก็นั่งสมาธิได้เยอะนะครับต่โตมานั่งไม่ได้เลย ม, มันไปติดโลกหรือเปล่าอะไรนะครับมันไปหลงโลกหรือเปล่าหลังไม่ยอมนั่งอหรือมันเบื่ อ, อก็ปฏิบัตินนในรูปแบบมากขึ้นนะครับเดีนะ ถ้ามีทำมาแต่เด็กก็สแสดงว่ามีนิสัยเดิมมีนิสัยเดิมมีต้นทุนมามากมันก็ไปต่อง่ายาไม่มีต้นทุนก็ต้องขยันหน่อยคล้ายๆเศรษฐีนะลงทุนหาเงินง่ายคนจนหาเงินยากกว่าจะสะสมมาเป็นทุนที่โตขึ้นแต่ถึงยังไงก็ต้องทำนะถ้าจิตมันเคยขึ้นมาตั้งแต่เด็กนะมันก็มีของเก่าแล ดยเลือดเนื้อกายกจแะชีวิตของข้าพเจ้าขอถวายแด่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ผมสาธุนะทำในเทศการหลวงพ่อค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจิตมันเนี่ยรู้สึกว่ามันบางทีมันกลวงๆแล้วมันก็มันกระจายกระจายเอแล้วก็ดูดูไม่ได้เลยนอกจากว่าจะดูกายอย่างเดียวดูดูจิตไม่ได้ให้ดูกายแต่มันเป็นมานมากแล้วนะคะหลวงพ่อ อ, อะไรนะเป็นนานมากแล้วค่ะ แล้วเราอย่าไปกังวลนะภาวนาเนี่ยขอให้มันมีสติมีสมาธิไปดูกายด้วยความมีสติด้วยมีความมีสมาธิก็ เ, เจริญไปไม่ได้ช้ากว่ากันหรอกค่ ะ, คะรูบาอาจารย์แต่ก่อนอนะดูกายด้วยซ้ำไปที่ดูจิตนะมีหลวพู ด, ดูลนะดูจิตขึ้นมาสอนใหม่ๆแนละ้วคนไม่เอานะคนดูถูกท่านเลยนึกว่าท่านภาวนาไม่เป็นนะ่จิตเวลาจิตมันกระจายรู้ว่ากระจายแเรวก็กลับมารู้กายไว้นะใช่ค่ะเนี่ยรู้สึกรู้สึกนะ คอย่าให้จิตไปติดว่างๆนิ่งๆจิตมันจะไปทางนิ่งว่าง<ะ>การนมัสการพระอาจารย์เขาประกาสในงานผลการปฏิบัติในรอบสี่ปีหรือห้าปีประมาณเนี้นะตอนนี้รู้สึกว่าที่เข้ามาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้รู้สึกมันมีปิติได้เห็นพระอาจารย์เห็นหลวงพ่อมาเกิดความปิติแล้วก็รู้ววิติแล้วก็ ก่อนก่อนที่จะถามปัญหาอะไรเนี่ยมันมันคิดไว้เยอะเลยบอกอยากถามนู่นถามนี่อะไรนะตอนนี้รู้สึกมันคิดไม่ออกอ่ะไม่ยากเลยนะว่าจะถามอะไรพเพราะเราเห็นครูบาอาจารย์แล้วปีติแล้วก็รู้ทันปีตินะปิติก็จะค่อยๆลดระดับลงเป็นปัจสักธินะพอมันสงบลงไประงับใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก็ก็เป็นสมาธิ พเรามีสมาธิแล้วนะเราเห็นสิ่งต่างๆเห็นกายเห็นใจทํางานนะใจก็หลงยินดีบ้างหยินไล่บ้างก็รู้ทันไปนะใจมีสมาธิรู้ไปสุดท้ายใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นอุเบกขานะครับมีปิติแล้วต่อยอดเข้าโพชฌงเจตไปเลยครับไม่ใช่มีปิติแล้วต้องไปละมันครับให้ใ ห, ให้ให้รู้ลงไปใช่ไหมครับพีรู้ไปว่นะกากำลังปิติอยู่ก็เห็นปิติค่อยๆลดระดับ ลดละรู้สึกไหมลดแล้วครับเนี่ยเป็นปัจสัธิอยู่ปกตินะใจก็จะเข้ามาเป็นสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่นี้แรงไปอย่าแน่นนะต้องลงสบายๆไม่แน่นนัได้สมาธิต่อไปก็เจริญปัญญาเรื่อยแล้วใจก็เข้าไปสู่เบกขาในการที่จะเดินเจริญปัญญานี้พระอาจารย์ผมผมไม่ทราบว่าจะเจริญอย่างไรให้มองเห็นอะไรให้พิจารณากายพิจารณาใจให้ให้ร่วงลงไป เป็นคนช่างคิดไหมครับก็ก็เป็นคนช่างคิดครับถ้าเป็นคนช่างคิดเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเดี๋ยวดีจิตเดียดเด๋ยวร้ายจิตเดี๋ยวสุขจิตเดี๋ยวทุกข์นะเดี๋ยวโลภเดียเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงมีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยแต่ไม่ใช่เพ่งนะอย่าไปจ้องให้มันนิ่งดูมันเคลื่อนไบเปลี่ยนแปลงคือมันก็รู้อยู่ตลอดนะพะรู้บที่จะรู้ได้รู้ตลอดไม่ได้ เพราะสติเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาใช่รู้แบบเดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวบหนึ่งแค่แคเดี๋ยวเดียวเองมันมันไม่ไม่นานนะนั่นแหละดีถ้ารู้นานแปลว่าเพ่งรู้จริงอ่ะรู้ช่วขณะเท่านั้นแหละครับแล้วอย่างผมควรจะดูจิตต่อไปหรือว่าดูจิตไปได้ไหกายนั้นมันเห็นเองอ่ะของคุณเวลาร่างกายเคลื่อนไหวมันก็เห็นนะต่อไปนอนหลับพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้หรอกครับแต่แต่ตอนตอนตอนนอนผมรู้กว่ามันจะรู้อยู่ พี่ก็รู้ด้วยว่ารู้ตลอดนะออรู้ตลอดแต่มันกไ็ไม่ไม่สงบอยู่อย่างนั้นนะแบบรู้อยู่เรื่อยๆู่้อยู่เรื่อยรู้ไปเรื่อยแต่ถ้าจะสงบก็จับเข้ากับความสว่างความว่างไปพักผ่อนครับคราวหนึ่งนะหลวงพไปกราบหลวงพ่อ พ, พุธพอดีมีงานวันบูรพาจารย์ที่วัดป่าสารวันหลวงพ่อพุธ่านั่งบนตัง ญาติโยมก็นั่งข้างล่าหลวงพ่อ ก, ก็เทศให้ฟังบอกสมัยท่านอยู่กับหลวงปู่เสาวะนะวันหนึ่งหลวงปู่เสาวะก็มาบอกกับหลวงพ่อพุธบอกเน้นจิตของข้าวันนี้นะวันนี้จิตของข้านะั้นไม่สงบเลยหลวงพ่อพุธเป็นเน้นงงเฮ้ย hey, พระอรหันต์อะไรจิตไม่สงบนะงงบอกตอมาท่านเม า, าเจริญปัญญาก็ารู้ว่าตอนที่จิตเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่สงบอยู่เฉยๆหรอกนี่ท่านสอนเรื่องว่า ฟุ้งซ่านนะการเดินปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันถ้าฟุ้งซ่านไปแล้วไม่มีสตินะก็คือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วมีสติมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าสอนมาถึงตรงนี้นะหลวงปู่เหรียญเนี่ยมาพอดีหลวงปู่เหรียญอาวุโสกว่าหลวงพ่อพุธพอหลวงปู่เหรียนมานะหลวงพ่อพุธก็เสียตังค์เอาปูผ้ารองข้างล่างลงมานั่งหลวงปู่เหรียนขึ้นนั่งข้างบนขึ้นนั่งหลวงพ่อพุธก็บอกหลวงปูครับ หมูนี้จิตของผมไม่สงบเลยท่านจะบอกว่าท่านจิตมันเดินปัญญาแนะ้ว <Okay. S 2> หลผูเหรียญอู่ทานออกมาคาเดียวอา้าวไม่สงบก็ภาวนาไม่เป็นสิคือ mm hmm. <laughs> ท่านพูดกับคนละอันนะ mm hmm. พูดกับคนละคนละจุดกัน mm hmm. ความจริงจิตถ้าเป็นจิตพระอรหันนะมันสงบอยู่นะเวลาเดินปัญญามันก็สงบอยู่นะหรือก็แต่ตรงภาษานะ ตรงที่ช่วงที่จิตเดินปัญญาเนี่ยท่านไปสื่อบอกว่าจิตมันไม่สงบคือมันทํางานนะท่านเลยบอกว่าจิตข้าไม่สงบจริงๆจิตท่านสงบแต่สังขารมันทํางานมันปรุงมันปรุงปัญญานะครับครับไอทําเอาครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับคนสุดท้ายอืกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ได้ส่งเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะคะอ่า ช่วงหลังๆจะมึนศีรษะมากนะคะมีอะไรนะเหมือนมึนมือนหัวค่ะต้องหายใจช่วยนะเงี้ยหายใจหายใจขึ้นหัวไปเงี้ยเอเป็นเป็นเพราะติดอะไรหรือเปล่าคือทุกวันนี้ก็ตอนเช้าก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงไม่ว่าจะสงบหรือเปล่านะสค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะเดินจงกรมประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแต่ว่าช่วงถ้ามึนมึนหัวนะ หายใจไล่ไปหายใจผ่านไปเฉยๆนะถ้าตามเนื้อตามตัวมันเจ็บมันปวดอะไรก็าหายใจผ่านมันเข้าไปใะหายใจใผ่านหรอเจ้าคะ อ, อ้อยา่าสมันเจ็บตรงนี้เราหายใจล้วทำความรู้สึกเหมือนว่าลมหายใจมันผ่านลมจริงๆไม่ได้ผ่านหรอกนะฮ่าจริงไปมันจะเป็นการปรับปรับร่างกายเราให้สบายขึ้นดูเป็นป ล, ลมปราณดูเป็นเข้าออกได้ด้วยใช่ไหมคะ อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่หนูเข้ากรรมฐานอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณอาทิตย์ครึง่ง เ, เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยบอกว่าให้หนูดูกายนะคะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเห็นจิตเคลื่อนไหวใช่ไหมคะมีอยู่ช่วงห <c oughs> นึ่งที่ที่มันเห็นกลางอกมันบีบ <c oughs> บีบเหมือนเป็นอาการโรคหวัวใจเลยนะคะแต่ว่าบีบบีบถี่มากแล้วก็ ประมาณ1ิบห้านาทีได้อนะไเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างเจ็บหนูก็พยายามอึดดูไปเรื่อยๆดูมันดูจะดูว่าสุดท้ายมันไปถึงไหนสุดท้ายก็ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> ก, ก็เลยไม่แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยด้วยหลายครั้งหนูไม่รู้ว่าหนูไปไม่ยอมรับอะไรมันหรือเปล่ า, ม, ามันถึงมั น, มนเจ็ บ, จบแบบเจ็บทางร่างกายเลยปนะ่ะเจ็บเหมือนเจ็บอยู่ข้างในอกอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ> นั้ น, น, น, นต้องสวดมนต์สวดอิทิพิโสไหอะไรไ ป, ไปแผ่เมตตาอ๋อเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคะไม่เป็นอะไรหรอกอแต่ว่าต้องเจริญเมตตาให้มากๆเจริญเมตามากๆค่ะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงมีส่วนได้สเสวยผลบุญที่เราทำแล้ว เม็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยว ม, มันคลายถูกค่ะพอมันเจ็บนะเราก็เครียดเ่ยจิตมันจะเจือโทสะเราก็แก้ที่ใส่ไปแผ่เมตตาไปสวดมนต์ไปนะเอะสุดท้ายเจ้าค่ ะ, ะหลวงพ่อแนะนําภาวนาอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะนี่แหละปรทําอย่างที่ว่านี่แหละนะก็คือทําตามเหมือนปัจจุบันนี้ที่ทําไปเรื่อยๆใช่ไม้มเจ้าค่ะใช่แล้วก็จเจริญเมตตาให้เยอะหน่อยนะท<ป>ี่โมโหนะ่ะ ก็น้อยลงไปแล้วค่ะนั่นะแหล ะ, จะเจริญไว้เอ่อเอง อ, อย่างหนึง่งปัจจุบันหนูก็เหมือนกับดูดูเหมือนตัวเองเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็หายใจได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้คือมันมีคนดูนะร่างกายหายใจจิตมันเป็นคนดูแต่เราไม่ไปจับไปตัวนี้นะเราไม่ไปเพ่งเอ่อค่ะเอ่อแต่หนูก็ยังรู้สึกเหมือนมันมันเหมือ น, นกับตรึงตรึงธรรมดาธรรมดาอยู่ให้รู้ว่า ต, ตรึงนะตึงที่เป็นส่วนเกิน ครัก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอเป็นตัวแทนของญาติธรรมนะครับเพราะว่าวันนี้มีญาติธรรมนำสิ่งของและปัจจัยมาถวายนะครับขอให้ทุกท่านกล่าวตามด้วยนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทยาทธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระอาจารย์ปะโมต์ปโมตโชว์ชวขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวปราบสิ้นการละนานเทินยะถาวารีวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวาเมวาีโตทินนางเปตานางอุปกปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจั น, ทนโทปันรโสยถามิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภาะ พิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจ ต, ตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานนะไม่เจอกันสองเดือ น, ออนขยายามภาวนาน